ตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีทำหน้าที่ชักสื่อในสันจริตตศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6กสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐานคือหนึ่ง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 เกิดทางกายวาจากับจิต